สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีเสียพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชืดพตระเยซูตอนที่ห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นทฤษฎีที่สามที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอทฤษฎีที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและสมมติฐานและทฤษฎีต่างๆนี้นะครับก็มาจากกลุ่มคนที่ไม่เชื่อเรื่องการอศัศจรรย์ไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรง มีฤทธิเดช ท, ที่จะทำให้พระเยซูนั้นเป็นขเหนี่นความตายได้เรครับวันนี้ทฤษฎีที่สามเป็นทฤษฎีสุดท้ายนะครับสำหรับพวกเราก็คือทฤษฎีภาพหลอนนะครับการปรากฏของพระเยซูทุกๆครั้งนะครับเป็นเพียงภาพสมมุติความเป็นจริงก็คือคนเหล่านั้นเห็นภาพหลอนนี่คือแนวความคิดของคนที่ถือทฤษฎีนี้ครับแต่แท้จริงแล้ว เราต้องกลับมาดูครับว่าภาพหลอนหรือภาพลวงตานั้นคืออะไรภาพลวงตาความหมายทางวิทยาศาสตร์ของคําคํานี้ก็คือการเกิดอาการเสมือนหนึ่งเห็นภาพขึ้นโดยไม่มีวัตถุจริงๆที่ทําให้เกิดภาพนะครับคือเ ส, เสมือนหนึ่งเป็นอาการเสมือนหนึ่งเห็นภาพโดยที่ไม่มีวัตถุจริงๆซึ่งทําให้เกิดภาพไม่มีของจริงนะครับไม่มีคลื่นแสงจริงๆหรือการแสงสะเทือนนะครับ ของคลื่นนะครับไปกระตุ้นประสาทตาเลยแม้แต่น้อยมีแต่แรงกระตุ้นที่เกิดจากกลไกลต่างๆภายในบุคคล น, นั้นครับเป็นสาเหตุผู้ที่รู้สึกเห็นภาพหลอนนั้นเขาจะเชื่อว่าเป็นของจริงนะครับและเชื่อว่ามีวัตถุนั้นต่อหน้าเขาจริงๆคําถามก็คือว่าการปรากฏพระองค์ภายหลังการเป็นที่มีความตายของพระเยซูนั้นเป็นภาพลวงตาหรือภาพหลอนหรือเปล่า คำตอบก็คือไม่ใช่ประสบการณ์ของอักขูตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงภาพหลวงตาหรือเพียงภาพหลอนหลักฐานในพระคัมภีร์ใหม่นะครับและหลักฐานทางวิยาทยาศาสตร์ค้านกับสมมุติฐานนะครับอย่างสิ้นเชิงนะครับคนที่มีอาการประสาทหลอนไม่มีทางเป็นวีรบุรุษได้ครับไม่มีทางที่จะตายเพราะประกาศความจริงเรื่องการเป็นขึ้นอความตาย นี่น้องครับการเป็นที่มีความตายของพระเยซูนั้นทําให้ชีวิตของพวกสาวกนั้นเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัยรวมถึงทุกวันนี้ด้วยทฤษฎีภาพหลอนไม่เป็นที่ยอมรับเพ้าว่าขัดกับหลักการและกฎเกณฑ์ที่จิตแพทย์นะครับที่ระบุไว้จิตแพทย์นี่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเกิดภาพหลอนเขาเขียนอย่างนี้ครับว่าโดยทั่วไปแล้วมีคนบางประเภทเท่านั้นที่เห็นภาพหลอนคนเหล่านั้นมักจะเป็นพวกที่เรียกว่าตึงเครียดนะครับ นะครับมีการคิดเพอ้อฝันวิตกกังวล น, นะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคทางจิตยอยู่แต่พระเยซูปรากฏกับคนไหลและจำพวกครับตรงไม่ได้ปรากฏเฉพาะคนที่มีสภาพจิตใจแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นและคนที่พบพระเยซูภายหลังการเป็นขืความตายนั้นก็อยู่ในอารมณ์ต่างๆกันยกตัวอย่างเช่นมารีครับมารีชาวมักดาลาตอนที่พบพระเยซูเขากําลังร้องไห้ ผู้หญิงบางคนนะครับรู้สึกพิจวงและตกใจกลัวเปาโลก็เศร้าโศกขอโทษครับเปโตก็เศร้าโศกเสียใจด้วยการสำนึกผิดโทมัสสาวกของพระเยซูนั้นก็สงสัยเวลาที่พบพระเยซูสาวกสองคนที่เดินทางไปเอมาอุซันก็วุ่นวายใจเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เพื่อนพี่บันทึกครับยิ่งไปกว่านั้นที่ทะเลแกลลีลีตอนที่เหล่าสาวก ได้พบกับพระเยซูเขากําลังหาปลาอยู่เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะบอกว่าทุกคนนั้นเกิดอาการประสาทหลอนนะครับจิตใจไม่ปกติพี่น้องครับปกติแล้วประสาทหลอนหรือภาพหลอนหรือภาพลวงตาน่าจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตครับประสบการณ์ในอดีตที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกของคนคนนั้นนะครับเป็นเรียกว่าเกิดจากการมั่นโนเอาเองครับหรือความนึกคิดเอาเองของบุคคลนั้น ภาพหลอนเนี่ยขึ้นอยู่กับตรงนี้นครับในวิชาประสาทวิทยานะครับเรื่องอาการประสาทหลอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าความหลากหลายนะครับและความไม่คงที่เป็นลักษณะของอาการประสาทหลอนนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่หลอนเหมือนกันนะครับทุกๆครั้งเวลาจะห้อ น, อนอี่นน <c ough> จะหลอนอย่างนู้นจะหลอนอย่างนี้นะครับมันไม่คงที่ครับและมีความหลายหลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้น นี่คืออาการประสาทหลอนอย่างแท้จริงเป็นการเคลื่อนไหวแปลเปลี่ยนไปตามองค์ประกอบตามสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่มาของอาการประสาทหลอนเพราะฉะนั้นเป็นไปยากเป็นไปยากครับที่ว่าสองคนจะมีอาการประสาทหลอนเหมือนกันและยิ่งไปกว่านั้นนะครับพระมุทีบอกว่าคนห้าร้อยคนพบกับพระเยซูครับเป็นไปได้ไหมครับที่คนห้าร้อยคนมีสภาวิาจิตใจและอารมณ์นะครับแล้วก็เกิดการประสาทหลอนนะครับมีการศึกษาครับว่า ในที่ประชุมนะครับแห่งหนึ่งนะครับคนคนในที่ประชุมเนี่ยเห็นภาพหลอนพร้อมๆกันได้แต่ครับมันมีเงื่อนไขก็คือว่าทุกๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องมีการตื่นเต้นทางอารมณ์ต้องมีการเล่าอารมณ์จนถึงขีดบ้าคลั่งก่อนนะครับขีดบ้าคลั่งก่อนและมีสภาพผิดปกติทางกายโดยเพื่ออย่างยิ่งมีอาการประสาดร่วมด้วยคนเหล่านั้นนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับแต่เรากลับมาดูสาวกครับสาวกเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะว่าอาจจะมีบ้างสาวกอาจจะมีอารมณ์นะครับอยู่ในความกลัวหรือความเศร้าโศกเสียใจแต่ไม่ได้ทุกคนเป็นอย่างนั้นครับความจริงแล้วพวกเขาต่างคนต่างก็มีพื้นเพอารมณ์และอุปนิสัยที่ต่างกันนะครับคนเหล่านั้นจะเป็นพร้อมๆกันหรือครับนะครับผู้หญิงที่ตื่นเต้นเปโตรที่หนักแน่นก้าวราวแกงเก้านะครับยากบสาวกที่เดินทางไปเอ็มมาอุสโทมสัส ผู้ช่างน่าสงสัยอัคระวะสาวกห้าร้อยคนคนต่างๆเหล่านี้ครับมันอยู่ต่างวาระต่างสถานที่บางคนอยู่ตอนอยู่ในอุมโมงตอนเช้าบางคนกำลังคุยกันอยู่ข้างทางในแวดวงของมิตรสหายใกล้ชิดบางคนก็ทำงานอยู่ในทะเลสานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความโน้มเอียงภายในที่จะเกิดอาการประสาทหลอนย่อมไม่เท่าเทียมกันครับและเป็นไปได้หรือ ที่เขาทุกคนจะเห็นนะครับภาษาหลอนพร้อมกันเห็นภาพหลอนพร้อมกันเห็นภาพลวงตาพร้อมกันและประกาศนะครับถวายชีวิตถวายตัวในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเกี่ยวกับภาพภาพหลอนนี้พี่น้องนะเหตุผลมันรับไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถือว่าพวกสาวกหลอกลวงตัวเองแล้วหลงยึดเอาสิ่งที่เป็นภาษาหลอนก็เท่ากับว่าเขากำลังกล่าวหาว่าพวกสาวกเนี่ยหลอกลวงที่ปดขี้จุ มีสภาพจิตที่อ่อนแอและถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับคําพยานทั้งหมดของเขาเกี่ยวกับพระเยซูก็หมดคุณค่าครับแล้วพระเยซูเองก็เป็นคนที่เลือกสาวกเหล่านี้ก็เป็นคนที่ไม่รู้จิตใจของมนุษย์หรอกแล้วพระเยซูก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าพระเยซูก็ไม่ได้เป็นขึ้นจากความตายที่น้องครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณานะครับว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าการปรากฏของพระเยซู นะครับหลังจากที่เป็นที่มาความตายนั้นเป็นปรากฏกับตาครับให้เห็นนะครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับการสัมผัสทางตาเป็นรูปแบบที่เป็นตัวเริ่มต้นเพื่อที่เรียกร้องความสนใจนะครับเห็นแสงสว่างมาแป๊บเดียวแล้วก็รู้ว่าอืมนะครับเห็นแสงรุ่งอรุณแล้วก็รู้ว่าเช้านะครับเห็นแสงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยครับมันสามารถส่งส่งสื่อความหมายหรือส่งสัญญาณในระยะไกลได้นี่คือการเห็นนะครับเราพบว่า ในเพลงผีนะครับลักษณะการเขียนพระกิตติคุณนะครับก็เราพบเหมือนกันครับว่าพระเยซูปรากฏให้คนเห็นครับนะครับพระเยซูปรากฏให้คนเห็นเขาเห็นพระองค์นะครับแต่ยังมีบางคนสงสัยอยู่เขาได้รู้จักพระองค์เขาคิดว่าเห็นผีอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระเยซูก็เชิญชวนเขาให้ดูมือและเท้าของพระองค์ว่าเป็นพระองค์เองนะรพระเยซูบอกว่าจงคลำตัวเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้น นี้พบในลู ก, กาบทที่ยี่สิบสี่ครับเมื่อตรัส ด, ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงสําแดงพระหัตและพระบาทให้เขาเห็นเี่น้องครับยอนนะครับเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเยซูเห็นพระเยซูตอนพระเยซูถูกตึงแม่งเขนนะครับเมื่อพระเยซูทรงเป็นข้ามีความตายยอนได้กล่าวไว้ในพระธรรมกิตติคุณยอนก็คือว่าข้าพเจ้าได้เห็นนะครับพี่น้องครับได้เห็นองค์พระบุนเจ้าแล้วนั่นหมายความว่าครับได้เห็นนะครับตัวจริงเสียงจริง นะครับได้ยินเสียงจริงได้สัมผัสนะครับพระเยซูให้เขาดูพระหัตอาจจีสีข้างของพระองค์พวกเขาเห็นพระองค์ครับที่น้องครับองค์พระวิญเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเป็นผู้ที่ทรงเป็นที่มีความตายครับนะครับอย่างแน่นอนในการปรากฏพระองค์หลายๆครั้งนะครับและท้าและเชิญชวนให้พิยานดูรอยแผลแห่งการทนทุกข์ทรมานของพระองค์นะครับคําที่เ น, นเน้นหนักแน่นที่สุดในเรื่องนี้ ก็น่าจะเป็นถ้อยคําของลูกกาที่กล่าวว่าจงทาดูเราจงทําดูตัวเราดูนี่คือการเชิญชวนหรือท้าพิสูจน์ครับพี่น้องยิ่งไปกว่า น, นั้นครับในลูกกาบทที่ยี่สิบสี่ก็ยังพบว่าเขาเอาปลาย่างชิ้นหนึ่งมาถวายพระองค์พระองค์ก็ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขาทั้งหลายพี่น้องครับอย่างนี้นี่เป็นภาพลวงตาได้ไหมครับหรือภาพหลอนได้ไหมครับไม่ได้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าทฤษฎีนี้ ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เราสองสามวันที่ผ่านมานี้เราได้เห็นทฤษฎีสามทฤษฎีด้วยกันนะครับทฤษฎีแรกคือพระสบถูกขโมยทฤษฎีที่สองหรือสมมุิฐานข้อที่สองก็คือระเยซูทรงฟื้นนะครับจากสลบและทฤษฎีที่สามก็คือภาพหลวงตาเพียงับสองสามทฤษฎีนะครับอาจจะไปสลับมาครับแต่ ไม่มีสักทฤษฎีเดียวที่สามารถที่จะทําให้พระเยซูนะครับไม่เป็นขณีนนความตายได้พระเยซูก็ยังคงเป็นขมีนนความตายนี่คือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเชื่อแบบที่ไม่งมงายครับเชื่อด้วยเหตุด้วยผลเชื่อด้วยความคิดและเชื่อด้วยใจศรัทธาอาเมน